วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สามมิถุนายนพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับชาวพุทธผู้แสวงบุญก็จะถือว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะเป็นวันที่จะได้มีเวลา มาทำบุญอีกหนึ่งวันนั่นเองถ้าไม่มีวันหยุดวันนี้ก็ต้องไปทำงานกันถ้าไปทำงานก็จะไม่ได้มาทำบุญนั่นเองจึงเรียกว่าวันนี้เป็นวันกำไรบุญผู้แสวงบุญนี้จะให้ความสำคัญต่อการทำบุญเพราะบุญทำให้มีความสุขใจ บุญก็คือความสุขใจนี้เองเรียกว่าบุญการกระทาบุญนี้ที่ทำให้เกิดความสุขใจนี้ในพระพุทธศาสนามีอยู่สิบวิธีด้วยกันทําบุญสิบวิธีทําให้จิตใจมีความสุขทําได้สิบวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือทานแปบลบว่าการให้ การแบ่งปันการเสียสละให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วความสุขที่ให้ผู้อื่นนั้นจะกลับมาหาผู้ให้เรียกว่าทานความสุขขั้นที่สองเรียกว่าศีลคือการละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงถ้าไม่ทำบาปความทุกข์ก็จะไม่เกิดถ้าไม่ทำให้ผู้อื่นเขาทุกข์ ความทุกข์ก็จะไม่กลับมาหาเราการไม่มีความทุกข์ก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่ง mm hmm. ข้อที่สามบุญที่เกิดจากการภาวนาภาวนาแปลว่าการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนา ทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขวิปัสนาสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้จักวิธีรักษาความสุขที่ได้จากความสงบไม่ให้หมดไม่ให้หายไปบุญการทำบุญข้อที่สี่คือการอุทิศบุญบุญที่เราทำนี้ เช่นเราทำทานเราจะมีบุญมีความสุขใจถ้าเราคิดถึงคนที่ตายไปเราอยากจะให้เขาได้บุญเราสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับเขาไปได้เพราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี้ไม่สามารถทำบุญได้บุญนี้ต้องทำในขณะที่มีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วเป็นช่วงที่ไปรับผ ล, ผ ล, ผลบุญผลบาป น, นั้นทาบุญไม่ได้ทาบาปไม่ได้เป็นเหมือนเป็นช่วงที่ไปรับนงวัลหรือไปรับโทษจากการกระทำบุญหรือบาปถ้าเราเป็นห่วงเป็นใยรักคนที่เสียไปอยากจะให้เขามีบุญได้บุญเราก็ทําบุญแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญไปให้เช่นตอนที่เราทําบุญเสร็จ พระจะมีการบอกให้กวดน้ำย่าถาสับพีนะนการกวดน้ำก็คือการอุทิศบุญแต่การอุทิศบุญจริงๆนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีน้ำก็ได้ไม่ต้องมีพระมาสวดก็ได้เพราะเวลาเราทำบุญเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานถวายภาพป่าพอเรา ทำเสร็จปั๊บบุญก็เกิดขึ้นมาทันทีในใจของเราเราก็สามารถที่จะอุทิศบุญได้ด้วยการระลึกภายในใจของเราว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ที่ได้ร่วงรับไปแล้วถ้าท่านกำลังรอรับบุญนี้อยู่ก็ขอให้ท่านมารับไปเถิดนี่ก็เสร็จได้อุทิศบุญ เราไม่ได้อุทิศน้ำการกวดน้ำนี่เป็นเพียงเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างของบุญเทน้ำจากภาชนะหนึ่งเข้าสู่อีกภาชนะหนึ่งก็เหมือนส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งส่งบุญจากใจของเราไปสู่ใจของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณ น, นี่คือบุญที่ เราสามารถทำได้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วทำแล้วก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจดีใจที่เราได้ช่วยผู้ที่เรารักเราเคารพที่จากเราไปให้เขาได้มีบุญให้เขามีความสุขถ้าเกิดเขากำลังทุกข์พอเราทิศบุญนี้ไปความทุกข์ของเขาก็จะหายไป เพราะความสุขก็จะเข้าไปแทนที่ความทุกข์นั้นบุญข้อที่ห้าก็คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญ mm hmm. เวลาเราเห็นใครทำบุญเราต้องคิดว่าเป็นการกระทำที่ดีที่ถูกต้อง mm hmm. เพราะบุญมีแต่คุณมีประโยชน์ต่อผู้กระทำ mm hmm. เห็นใครเ็าทำบุญไม่ควรไปขัดขวางไม่ควรไป mm hmm. ทำให้เขาชักใบให้เรือเสียกวนจะสนับสนุนด้วยการแสดงความยินดีสาธุไปแล้วเราก็จะมีความสุขร่วมไปกับเขาด้วยเห็นเขาได้ทำบุญมีความสุขเราก็เกิดความสุขใจตามไปด้วยถ้าเราไม่เห็นว่าการกระทำบุญดีเราเห็นใครทำบุญแล้วเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาก็ได้ น, น, นี่คือการอนุโมทนาบุญสำหรับคนที่เวลาเห็นคนอื่นทำบุญแล้วไม่สบายใจอย่าสบายอย่าเกิดความไม่สบายใจเพราะเห็นคนอื่นเขาทำบุญเพราะบุญนี่มันเป็นของดีของวิเศษเป็นที่พึ่งของใจใจจะมีความสุขก็ต้องมีบุญ อา น, นิสงส์ของบุญนี้มีมากมายเช่นหนึ่งจะทำให้ผู้ทาบุญนั้นมีความสุขในขณะที่ตื่นและมีความสุขในขณะที่หลับนอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษาจะไม่ได้ตายด้วยยาพิษหรืออาวุธ มีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้อย่างง่ายดายเวลาตายไปถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือประโยชน์ของบุญที่เราควรที่จะช่วยกันสนับส น, นุนให้ได้ทำกันเห็นใครทำบุญ ถ้าเราช่วยสนับสนุนในการทำบุญของเขาได้ก็ช่วยเช่นบางทีเขาขนของมาเยอะแยะเราก็ไปช่วยเขาขนของบางทีเขามาคนเดียวแต่ซื้อของมาถวายพระเยอะเราเห็นเขาขนข้าวขนขอ ง, ของมาก็รีบไปช่วยกันอันนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขร่วมไปกับการทำบุญของเขา ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำบุญเองแต่การได้ร่วมอนุโมทนาก็ทำให้เราได้มีความสุขตามไปด้วยบุญข้อต่อไปก็คือบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือกันนั่นเองรับใช้กันช่วยเหลือกันเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเข้าไป เขาขาดแคลนอาหารก็หาอาหารมาให้เขารับประทานเขาไม่สบายไม่มีอยู่มียาไม่มีเงินไปโรงพยาบาลก็พาเขาไปรักษาโรงพยาบาลช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนคนแก่คนชราในสมัยก่อนนี้คนไทยเราจะมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึง่ง เวลาขึ้นรดเมเนี่ยผู้ชายจะลุกให้ผู้หญิงหรือเด็กนั่งเวลาเด็กขึ้นไปเวลาผู้หญิงขึ้นไปถ้าผู้ชายกำลังนั่งอยู่แล้วไม่มีที่นั่งจะลุกให้ผู้หญิงและให้เด็กนั่งก่อนจะช่วยเหลือผู้ที่เขา อ, อ่อนกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่า่สมัยนี้ รู้สึกว่าบนแบบนี้จะไม่ค่อยมีเหลืออยู่ในประเทศเสียแล้วมีใครลุกให้เรานั่งร่มไหมพวกผู้หญิงเวลาขึ้นรถเมย์มีใครบอกเชญ น, นั่งไมไม่มีแล้วนะสมัยก่อนรถเมย์แถวหลังนี้เขาจะแบ่งไว้ให้พระนั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแถวหลังให้พระนั่งนะพระขึ้นรถเมย์ไม่ได้ขึ้นไปเบียดกับพระ กับญาติโยมไม่ได้คนไทยเราใจห่างออกจากบุญเพราะถูกอำนาจของวัดสดุวัตถุนิยมดึงดูดไปความอยากจะได้วัตถุเข้าของเงินทองต่างๆจึงทำให้บากกดตีนถีบกันแก่งย่างกัน ท ำ, ทำมาหากินหาเงินหาทองแย่งกันไปหมดจะทำอะไรก็แย่งกันแม้แต่ขับรถบนท้องถนนก็แย่งกันขับถึงกับยิงกันตายก็มีบนท้องถนนนี่คือความไร้น้ำใจการไร้บุญการไม่เคยเข้าวัดทำบุญกันโดยถูกอกำนาของกิเลสตันหา ที่หิวโหยกับวัตถุเข้าของเงินทองดึงดูดจิตใจให้ไปหาจนกระทั่งลืมสิ่งที่สำคัญกว่าเข้าของเงินทองก็คือบุญนี่เองอเลยไม่ได้ทำบุญกันแก่งแย่งชิงดีกันทะเลาะวิวาดกันแตกแยกสามัคคีกัน เพราะการที่ไม่มีใจที่เป็นบุญนั้นเองถ้าใจเป็นบุญแล้วจะช่วยกันจะช่วยเหลือกันจะสนับสนุนกันจะช่วยเหลือคนที่เขาอ่อนแอ ก, กว่าอนี่คือบุญนีการกระ ท, ทําที่จะทําให้เกิดบุญเวลาเราเสียสละที่นั่งบนรถไ ป, ไปเราลุกขึ้นยืนเนี่ถึงแม้จะยืนแล้วไ ม, ไม่ไม่สบายเหมือนกับนั่ง แต่ใจกับสบายกว่านั่งถ้านั่งเราเห็นผู้หญิงหรือเด็กยืนอยู่ในใจมันไม่สบายนะถ้าเป็นผู้ชายไม่มีความสุขใจ ส, สุขกายแต่ไม่สุขใจแต่พอยอมยอมเสียสละความสุขกายลุกขึ้นยืนให้ผู้หญิงหรือเด็กนั่งกับมีความสุขใจมากกว่าตอนที่นั่งเสียอีก มีความสุขใจมีความปลื้มใจมีความภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่ที่ยากต่อการกระทำคือการเสียสละการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขนั่นเองนี่ก็เป็นบุญอีกข้อหนึ่งบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัว ไม่อวดเก่งอวดเบงไม่อวดรู้อวดฉลาดเป็นผู้อ่อนน้ำทำตนคนที่อ่อนน้ำทำตนนี้มักจะเป็นที่ชื่นชมยินดีชอบใจของผู้ที่รู้จักเพราะไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขารู้สึกได้นั่นเองแต่คนที่ชอบอวดเก่งอวดรู้นี่ไปอยู่กับใครก็มักจะไม่ใครมีใครอยากจะ พบค้าสมาคมด้วยเพราะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยเราเก่งคนเดียวคนอื่นนี้ไม่ได้เรื่องมีเราเป็นคนเก่งคนรู้คนฉลาดเราร่ําเราดวยคนอื่นนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้แหละคือความไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนถึงแม้อาจจะแสดงกิริยายกมือไหว้หรือกราบพบกับพระ แต่พุติกรรมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพุติกรรมมันอว ด, ดเก่งอวดร่ำอวดรวยอวดรู้เห็นคนอื่นที่เลวไปหมดสู้ตนเองไม่ได้นี่คือสำหรับคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะไม่เป็นอย่างนี้จะเห็นทุกคนเป็นคนเป็นมีความสาคัญทุกชีวิตมีความสาคัญ ทุกคนมีความสามารถที่จะเก่งได้ที่จะรวยได้ทุกคนเพียงแต่ว่าโอกาสตัวจังหวะของแต่ละคนอาจจะไม่พร้อมที่จะทําให้เก่งหรือให้รวยได้ในตอนนั้นเท่านั้นเองแต่ทุกคนนี <c> ้ <oughs> มีหัวใจเหมือนกันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะไม่ควรที่จะไปลดศักดิ์ศรีของผู้อื่น ด้วยการยดยกตนข่มท่านนอดเก่งอดดีอวดรู้อวดร่าอวดรวยอวดใหญ่อวดโตเหล่านี้เป็นการกระทําที่ไม่ควรนถ้าอยากจะมีความสุขใจให้อยากระทาการเหล่านี้ให้เป็นคนอ่อนน้ําถ่อมตนมีสัมมาคารวะแล้วไปอยู่กับใครจะมีแต่คนรักคนชอบ ไม่มีใครนำเกียร์ <c oughs> น, นี่คือบุญบุญข้อต่อมาที่พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราทากันก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องบุญนี้สำคัญที่สุดก่อนจะทำบุญอะไรนี่ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องว่าบุญนี้มีจริงบุญนี้มีคุณประโยชน์ ตามที่ได้แสดงอนิสง์ของบุญต่างๆทำบุญแล้วจะเป็นจะมีความสุขมีความสุขใจทั้งในขณะที่ตื่นทั้งในขณะที่หลับนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะจะจะมีเทวดาปกป้องรักษาคุ้มครอง จะไม่มีใครคิดร้ายกับตนจะไม่มีใครฆ่าด้วยยาพิษหรืออาวุธต่างๆจะมีผิวพรรณผ่องใสหน้าตาเบิกบานเวลาฝึกสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคตินี่คืออนิสงส์ผลบุญที่เราควรจะมีความเห็นว่าเป็นความจริง สัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าบุญนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจส่วนบาปนี้เป็นโทษต่อจิตใจอย่างร้ายแรงและจิตใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ถ้าไม่เชื่อเรื่องจิตใจก็จะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปถ้าเชื่อแต่ถ้าเห็นเพียงแต่ร่างกายแล้วคิดว่าทั้งหมดตัวเราอยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราก็จบไปกับร่างกายอันนี้ไม่ใช่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเวลาที่ใจร่างกายตายไปแล้ว ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้ทำบุญและทำบาปโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของการทำบุญทำบาปร่างกายจึงไม่ใช่เป็นผู้รับผลบุญผลบาปผู้รับผลบุญผลบาปก็คือใจที่หลังจากที่ร่างกายตายไปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆหรือถ้าไปได้ร่างกาย ก็จะได้ร่างกายอของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่อำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิการมีความเห็นที่ถูกต้อง อ, อันนี้เป็นบุญอย่างหนึ่งพาจะทำให้เราได้ไปสร้างบุญต่างๆนั่นเองถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อไม่ไม่เห็นว่าบุญมีจริง บาปมีจริงผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี้ไม่มีเพราะผู้ที่ทำก็คือร่างกายเห็นเพียงร่างกายก็คิดว่าร่างกายเป็นผู้กระทำความจริงร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจผู้กระทาจริงๆคือใจผู้สั่งการนี่แหละคือใจความคิดผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญไปทำบาป แล้วผลบุญผลบาปไม่ได้เกิดที่ร่างกายเกิดที่ใจทั้งในขณะที่ยังไม่ร่างกายยังไม่ตายผลของบุญก็เกิดแล้วพอทำบุญใจบาปเสร็จใจรู้สึกยังไงสดชื่นเบิกบานมีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาไม่ใช่ร่างกายร่างกายยังไม่ได้กินข้าวร่างกายยังไม่อิ่มแต่ใจนี่อิ่มก่อนแล้ว ใจอิ่มก่อนร่างกายเพราะว่าใจเป็นผู้ทาบุญไม่ใช่ร่างกายนั่นเองต้องมีความเห็นแบบนี้ต้องเห็นว่าใจนี้เป็นผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายไปทาบุญหรือทาบาปให้กับใจอีกทีหนึ่งแต่ผลของบุญของบาปนี้กลับมาหาใจทันทีทำบุญปั้บความสุขใจก็เกิดขึ้นทันที ทำบาปปั๊บความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นทันทีนะแล้วความสุขใจความทุกข์ใจที่เกิดจากการทําบุญทําบาปนี้ก็จะสะสมไว้ในใจไปเรื่อยๆ ร, รอเวลาให้ร่างกายตายไปถึงจะไปรับผลบุญผลบาปอีกอีกครั้งหนึ่งด้วยการไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความบุญก็จะมีแต่ความสุข ก็เรียกว่าเทวดาเรียกว่าสวรรค์ถ้านะเป็นดวงวิญญาณที่มีด้วยมีมีแต่ความทุกขนะ์เกิดที่เกิดจากการทำบาปนะก็จะเรียกว่าเปรตบ้างอาสูรกายบ้างเรียกว่านรกบ้างนะนี่แหละคือที่ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปต่างๆแล้วหลังจากที่รับผลบุญผ ล, ผลบาปเสร็จแล้ว ก็จะกลับมาเกิดใหม่ทำไมถึงจะกลับมาเกิดใหม่เพราะใจยังมีความอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เลยต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มารับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่พอพ่อแม่คนใหม่แต่งงานร่วมหลับนอนกัน ก็จะมีการผสมพันธ์มีการสร้างร่างกายร่างใหม่ขึ้นมาพอมีการก่อร่างสร้างตัวดวงวิญญาณที่ต้องการมีร่างกายก็จะมาเกาะติดกับร่างกายอันนั้นทันทีแล้วก็จะอยู่กับร่างกายนั้นจนคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็จะสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆให้กับใจไปเรื่อยๆจนถึงวัน แก่วันเจ็บวันตายแล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปใหม่เสร็จแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ถ้าเบื่อกับการที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็สอนว่าต้องกำจัดต้องชาระความอยากที่มีอยู่ในใจให้หมดไป ความอยากสามประการคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่เป็นตัวที่ดึงใจให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็ต้องกําจัดวิธีกําจัดก็ต้องอทาบุญทําทานขั้นต่างๆชนิดต่างๆ อันนี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องบุญอันนี้สำคัญที่สุดต้องมีบุญอันนี้ก่อนถึงจะสามารถถึงจะรู้ได้ว่าต้องทำไมถึงต้องทำบุญเพราะบุญนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะทำให้จิตมีความสุขใจจะทำให้จิตนี้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตายถ้ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ต้องพึ่งบุญข้อต่อไป บุข้อต่อไปก็คือการฟังเทศฟังธรรมนี้การศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ออกมาจากสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าทรงมีสัมมาทิฏฐิทรงรู้ความจริงของร่างกายและจิตใจ ว่าเป็นอย่างไรทรงรู้ว่าร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายตายก็ย่อยสลายกลับคืนสู่สภาพเดิมส่วนใจก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็ไปเกิดใหม่ต่อไปเรื่องราวเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐินี้เราจะ เรียนรู้ได้จากการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นธรรมเป็นบุญข้อที่สำคัญต่อจากการมีสัมมาทิฏฐิถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิเราสามารถสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องได้ด้วยการศึกษาพอศึกษาเราก็จะรู้ว่าเราต้องทำบุญอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะทำให้เราได้มีความสุขใจให้เราปราศจากความทุกข์ใจพอเราศึกษาและปฏิบัติได้จนมีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมอยู่ในใจที่จะปกป้องรักษาจิตใจให้มีแต่ความสุขให้ปราศจากความทุกข์ต่อไปเราก็จะทำบุญข้อสุดท้ายได้ก็คือการทำ การให้ธรรมะแก่ผู้อื่นที่เรียกว่าธรรมทานเราก็สามารถเอาธรรมะความเห็นที่ถูกตั้งนี้ไปสอนผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิต่อไปได้ <Yeah. S 1> พอเราได้สอนให้คนอื่นเขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็จะเกิดความสุขใจ <Yeah. S 1> เห็นเขาเคยทุกข์แล้วเขาหายทุกข์เนี่ย นี่คือบุญชนิดต่างๆในของพระพุทธศาสนามีอยู่สิบชนิดด้วยการคือหนึ่งทานการให้าการแบ่งปันการเสียสละสองศีลการละกาการกระทำบาปไม่ทำบาปด้วยการรักษาศีลสามการภาวนาเป็นการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อจะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดสี่การอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ต้องรับไปแล้วห้าการอนุโมทนาบุญเวลาเห็นผู้อื่นเขากำลังทำบุญหกใช่ไหมหกใช่ไหมสี่ห้าหกหกก็คือการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเห็นใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ก็ช่วยกันไปแต่ก็ช่วยแบบมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลถ้าช่วยเพราะเขาขี้เกียจก็อย่าช่วยเขาทำเองได้แต่เขาไม่ทำอยากให้คนอื่นทำให้เพราะขี้เกียจถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องช่วยช่วยคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่าไปช่วยคนที่ช่วยตัวเองได้นี่คือหกการ ไปช่วยเหลือผู้อื่นเจ็ดการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวไม่อวดเก่งอวดแบ่งอวดดีอวดน่ามอวดรวยอวดใหญ่อวดโตเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแปดมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเก้า ฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆสิบเมื่อมีธรรมในใจแล้วก็สามารถแบ่งธรรมให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยการแสดงธรรมด้วยการสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นอนนี่คือบุญสิบชนิดในศาสนาพุทธถ้าเราอยากจะทำบุญเราก็เลือกทำบุญต่างๆเหล่านี้ได้ตามความเหมาะสม แต่บุญสาคัญที่สุดที่เราต้องเริ่มมีบุญอันแรกที่เราต้องมีคือสัมมาทิฏฐิถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้าเราไม่เห็นว่าบุญมีคุณมีประโยชน์กับเรา ม, มีมีอนิสงส์ต่อจิตใจของเราบุญเป็นผู้ทำให้จิตใจเรามีความสุขถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของบุญเราก็จะไม่คิดทำบุญกัน ถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิบุญข้อที่สองบุญที่เราต้องทําเป็นข้อที่สองก็คือเราก็ต้องศึกษาธรรมะคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นบุญพอมาศึกษาแล้วจะได้รู้จะได้รู้ว่าบุญมีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไรอย่างวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมก็กําลังมาศึกษาธรรมะพอฟังธรรมก็ได้เรียนรู้ว่า มีบุญต้องสิบวิธีด้วยกันวิธีสร้างบุญมมถึงสิบวิธีด้วยกันทำบุญแล้วก็จะทำให้เกิดความสุขใจความทุกข์ใจก็จะน้อยลงไปเบาบางลงไปแล้วหมดสิ้นไปได้ตามลำดับต่อไปเพราะพอศึกษาทำแล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องทำบุญชนิดไหน บุญนี้ก็จะมีแบ่งไว้เป็นสองพวกด้วยกันบุญที่เราต้องทำประจำทำให้มากและบุญที่เราทำตามโอกาสตามตามตามความเหมาะสมบุญที่เราต้องทำเป็นประจำซึ่งเปรียบเหมือนอาหารที่เราต้องรับประทานกันเป็นประจำเรียกว่าอาหารหลักอาหารนี้ก็มีสองแบบอาหารหลักกอาหารเสริม อาหารเสริมนี่มีก็ ก, กินไม่มีก็ไม่กินก็ได้ไม่ตายแต่อาหารหลักนี่ต้องกินถ้าไม่กินแล้วจะตายอาหารหลักก็คือข้าวที่เรากินกันทุกวันข้าวขับข้าวนี่เป็นอาหารหลักส่วนอาหารเสริมก็เป็นขนมนมเนยผลมะม ง, งผลไม้อะไรต่างๆของเหล่านี้ถ้ามีก็กินถ้าไม่มีไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนไม่ตาย แต่ต้องมีของที่ต้องมีต้องกินคืออาหารต้องมีต้องกินต้องมีข้าวมีกับข้าวกับปลาร่างกายถึงจะอยู่ได้บุญที่เป็นอาหารที่อาหารหลักที่เราจะต้องคอยให้จิตใจอยู่อย่างสม่าเสมอก็มีเนี่ยหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องทำบุญชนิดไหนก่อนชนิดไหนหลังบุญที่เราต้องทำก่อนก็คือทานถ้าเรามีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้อย่าไปทำกับกิเลสอย่าไปช่วยกิเลสตัณหาอย่าไปทาตามความอยากต่างๆเพราะว่าเท่ากับเป็นการทาบุญกับกิเลสตัณหา ทำให้กิเลสตัณหามีกําลังเพิ่มมากขึ้นมาสร้างความทุกข์ให้กับเรากิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นข้าศึกศัตรูของเราเราต้องทําลายมันเราอย่าไปส่งเสริมมันเวลาทําอะไรตามความอยากนี่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมข้าศึกศัตรูของเราให้มาสร้างความทุกข์ให้กับเราเวลาที่เราไม่ทําตามความอยากเป็นเวลาที่เราทําลายความอยาก ถ้าทำลายค่าศึกศัตรูของเราเพื่อไม่ให้มันมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราถ้าเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราจะเอาไปใช้ตามความอยากนี่เราต้องห้ามนัเปลี่ยนวิธีใช้จากการไปซื้อของตามความอยากไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไร ต, าตา่างๆตามความอยากก็ให้เอาเงินเหล่านี้ไปทำบุญให้หมด ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญทาทานเราก็จะได้ไม่ทำตามความอยากเราก็จะได้ทำลายความอยากแล้วพอเราเอาบุญเอาเงินไปทำบุญทาทานก็จะได้อาหารให้กับใจทำให้ใจเกิดความสุขใจความอิ่มใจขึ้นมาถ้าเรายังมีเงินทองใช้ใช้เงินทองแบบนี้อยู่เราต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงินทองใหม่ ถ้าเอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของไม่จําเป็นไปซื้อของหรูหราไปซื้อของแพงๆเพราะคิดว่าของแพงดีกว่าของถูกอันนี้ไม่ไม่แน่เสมอไปของถูกก็ดีเท่ากับของแพงได้เจนอาหารนี่กินมื้อละห้าสิบหรือกินมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าชนิด เสื้อผ้าชุดละห้าร้อยกับชุดละห้าพันมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าลหลงไหลกับเรียกว่าอะไรความนิยมของของสังคมสังคมมักจะนิยมของหรูหราของแพงๆเพราะคิดว่าเป็นของที่ดีกว่าของไม่หรูหราแต่ถ้าเราดูหน้าที่การใช้งานมันเหมือนกัน เสื้อผ้าราคาแพงราคาถูกมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันคือปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยปกป้องอภัยจากอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็ปิดป้องปกป้องอวัยวะต่างๆนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าเวลาจะซื้อของด้วยความอยากนี้ต้องซื้อด้วยเหตุด้วยผลว่า จำเป็นต้องซื้อไหมขาดแคลนหรือไม่เออถ้าขาดแคลนเช่นเสื้อผ้าไม่พอใช้เพราะว่าอาจจะอถูกขโมยไปเช่นบางทีเดินทางมิดใส่เสื้อผ้าไว้ในกระเป๋าแล้วกระเป๋าหายไปอคนผู้โดยสารไปทางหนึ่งกระเป๋าไปอีกทางหนึ่งไม่มีเสื้อผ้าใส่อะตอนนั้นก็จําเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้ามาใส่ ซื้อด้วยความจำเป็นอย่าซื้อด้วยความอยากมีเสื้อผ้าเต็มกระเป๋าเดินไปเห็นเสื้อผ้าขายอยู่ในร้านก็ยังอยากซื้อขึ้นมาอีกก็ซื้อแล้วก็ไม่มีที่ใส่ไม่มีที่เก็บต้องหิวพะลุงพลังอีกอันนี้คือการใช้เงินตามความอยากกับการใช้เงินตามความจำเป็น ขอให้ใช้เงินตามความจำเป็นอย่าใช้เงินตามความอยากถ้าอยากจะใช้เงินตามความอยากก็ไปใช้กับการทำบุญขอให้อยากทำบุญเพราะการอยากทำบุญนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจความอยากทำบุญนี้เป็นธรรมะจะทำให้จิตใจมีความสุขจะกำจัดความทุกข์ ของจิตใจที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทุกครั้งที่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม้จําเป็นที่จะต้องได้อย่าไปเอามาเอาไปทําบุญดีกว่าเอาบุญดีกว่าทําบุญแล้วจะทําให้จิตใจมีความสุขใจอิ่มใจนี่คือคือบุญข้อที่เราต้องทํากันสม่ําเสมอเวลาที่เราอยากจะมีความสุขใจ ไปทําบุญเช่นใส่บาตรถ้ามีพระมาบิณฑบาตผ่านบ้านเราก็จะมีโอกาสได้ทําบุญทุกวันพระมาเราก็เตรียมอาหารใส่บาตรใส่บาตรเสร็จให้อาหารพระพระได้ความสุขทางร่างกายเราจะได้ความสุขทางจิตใจที่มีคุณค่ามากกว่าความสุขทางร่างกายบทนี้ควรจะทําเป็นประจํา ถ้าอยากจะทาทุกวันแต่ไม่มีพระผ่านมาถ้ามีกำลังที่จะทำได้ทุกวันก็เอาเงินที่จะทำบุญนี้ใส่กระปุกใส่กระป๋องไว้ก่อนแล้วเวลาไปวัดก็เอาเงินที่ใส่กระป๋องนี้ไปถวายวัดต่อไปอก็ได้ทำบุญเหมือนกันได้ทำบุญทุกวันนี่คือบุญที่เราต้องทำกันเป็นประจาเพราะเป็นเมือนอาหาร เรากินอาหารทุกวันวันละสามมื้อเราเขาควรอย่างน้อยทำทานวันละหนึ่งครั้งส่วนบุญที่เราต้องทำตลอดเวลาข้อที่สองก็คือศีลศีลนี่เราต้องทำต้องรักษาตลอดเวลาอย่ารักษาแต่เฉพาะเวลานอนก่อนนอนก็สมาทานศีลแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เลิกเลิกสมาทาน อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นการถือศีลแบบศรีธนนชั ย, ยการถือศีลต้องรักษาศีลตอนที่ตื่นตอนที่ตื่นขึ้นมานี้ต้องรักษาศีลจะหยุดรักษาก็ตอนที่นอนหลับไม่ใช่ไปรักษาศีลตอนที่นอนหลับแล้วเวลาตื่นขึ้นมาก็ไม่รักษาศีลอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องรักษาศีลตอนที่เราตื่นขึ้นมาตอนที่เราไม่ได้หลับ ต้องรักษาตลอดเวลาละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมเสื้อรายาเมาและอบายามุขต่างๆเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นโทษกับจิตใจทำให้เกิดทุกข์ภายในใจนั้นเองถ้าไม่ทำใจก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีโทษใจก็จะเย็นจะสบาย คนที่ทำบาปกับคนที่ไม่ทำบาปนี้จะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันไม่เชื่อลองไปขโมยเงินใครดูไปโกง เ, เงินของบริษัทที่เราทำอยู่ไปยักยอกทรัพย์ของบริษัทดูเราดูซิว่าเราจะรู้สึกสบายใจไหมจะหวาดกลัวหวาดระแวงหรือเปล่ากลัวจะถูกจับได้หรือเปล่าถ้าไม่ทำบาปความหวาดระแวงความหวาดกลัวต่างๆก็จะไม่มีภายในใจ นนี้คือบุญที่เราต้องทำเป็นประจําคือศีลห้าแล้วก็ภาวนาก็พยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามเวลาตามสภาพของเราถ้าเรายังเป็นผู้คองเรือนยังต้องทำงานทำการอยู่การจะภาวนา น, นี้ก็อาจจะทำได้เวลาที่ออกเลิกจากงานแล้วช่วงเวลากลับบ้าน เวลาที่จะไปดูหนังดูละครก็ไปภาวนาแทนจะดีกว่าเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจะดีกว่าเพราะการทาใจให้สงบจะเป็นการซักพอกใจซักพอกปิเลตตัณหาที่มีอยู่ในใจให้เบาบางลงทำให้ใจเรามีความหิวโหวยน้อยลง มีความทุกข์น้อยลงและมีการเวียนว้ายตายเกิดพบชาติต่างๆน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรายังต้องทำงานยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เราก็จะทำได้ไม่มากในเรื่องการภาวนาแต่ก็มีเวลาที่เราทำได้ถ้าเราอยากจะทำทาตอนที่เราเลิกงานกลับบ้านหลังจากทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็ แทนที่จะไปดูหนังดูละครดูข่าวดูอะไรก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าหรือไปฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าเราถ้าเราอยากจะทำมากขึ้นเราก็รอวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกฤฤฤฤฤิจการงานเช่น ว, วันนี้พอวันไหนมีวันหยุดเราไม่ต้องไปทำงานเราก็จะมีเวลาว่างมากขึ้น เราก็เอาเวลาว่างนี้มาภาวนากันถ้าภาวนาที่บ้านไม่สนุกไม่สะดวกก็ไปหาที่สงบไปตามวัดต่างๆ ต, ตามวัดป่าวัดเขาหาที่สงบแล้วก็ไปภาวนาโดยการถือศีลแปดถือศีลแปดเพราะการถือศีลแปดจะช่วยทำให้การภาวนานี้เป็นไปได้ง่ายกว่าการถือศีลห้าถ้าถือศีลห้าแล้วมันยังสามารถที่จะ ไปทำนู่นทำนี่ได้อยู่พอไปทำแล้วมันก็จะทำให้เสียเวลาแล้วทำอะไรบางอย่างก็อาจจะทำให้มาเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาได้เช่นไปกินอาหารมากๆเข้าเดี๋ยวก็เกิดจะอากาศง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาถ้าถือสินแปะนี้ก็กินได้แค่เที่ยงวันเท่านั้นเองหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็กินไม่ได้พอไม่ได้กินมาก ร่างกายก็จะไม่ง่วงนอนเวลานั่งสมาธิก็จะไม่สับประงก น, นี่คือวันวันธรรมดาก็ถือศีลห้าไปวันหยุดทำงานก็ถือศีลแปดแล้วก็ไปหาที่สงบไปฝึกภาวนากันไปฝึกสติไปเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิด เพราะถ้าปล่อยให้ใจคิดใจจะไม่มีวันสงบถ้าอยากจะให้ใจสงบต้องคอยควบคุมความคิดให้ลดความคิดน้อยให้น้อยลงไปเรื่อยๆพอพอจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นอย่าต้องคิดกบพุทโธพุทโธไปพยายามหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาเพราะถ้าอยากจะให้ใจสงบอย่างเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆ ถ้ายังทำอะไรอยู่ดังเคลื่อนไหวอยู่จะไม่สงบเต็มที่ถึงแม้จะมีพุทธโธคอยกำกับใจอยู่ก็ตามถ้าอยากให้ใจสงบเต็มที่พบกับความสุขอันมหัศจรรย์ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็จดลาสติด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้หรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับลมหายใจลมหายใจจะหายใจสั้นหายใจยาวก็เป็นเรื่องของลมหายใจอย่าไปสั่งให้หายใจยาวๆลึกๆไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นทำแบบนั้นนะจะทาให้ใจต้องมีการทางานจะทำให้ใจไม่สงบ ใจให้รู้เฉยๆถึงจะสงบได้ให้สักแตะวะ่ว่ารู้ให้รู้ลมว่ากําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกถ้าหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจยาวก็รู้ว่ายาวเพราะธรรมชาติของลมมันเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาร่างกายทํางานนี้ต้องการลมมากมันก็จะหายใจสั้นเพื่อจะหายใจได้บ่บอย เวลาที่ร่างกายไม่ต้องทำอะไรมันก็จะไม่ต้องการลมมากมันก็จะหายใจช้าหายใจยาวอันนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของลมไปอย่าไปควบคุมบังคับให้ดูตามความเป็นจริงเราต้องการใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าลอยไปกับความคิดก็สแสดงว่าไม่ได้อยู่กับลมหายใจแล้ว ถ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สแสดงว่าไม่ได้ดูลมแล้วถ้าดูลมจริงๆมันจะไม่คิดนะให้ดูที่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าตามลมออกดูที่ปลายจมูกจุดที่ลมเข้าออกสัมผัสอยู่แถวปลายจมูกอยู่ที่ตรงนั้นถ้าตามเข้าน้ำออกใจก็จะไม่นิ่งอีกต้องอยู่ที่จุดเดียวต้องไม่ทําอะไรต้องให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆ แล้วใจก็จะค่อยๆสงบลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็จะนิ่งสงบไปแล้วความสุขที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนจะปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือสมาธิจิตสงบนิ่งสัตวะรู้ไม่มีอารมณ์กับอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรปรากฏมาให้ดับรู้มีแต่ผู้รู้สัตวะรู้ มีอ่เบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเป็นอารมณ์นะแล้วพอออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะรักษาถ้ายังไม่ชนานาญในการเข้าสมาธิก็ให้เก่ออกมามองเจริญสติใหม่ฝึกสติใหม่เพื่อให้กลับเข้าไปในสมาธิต่อไปออกมาฝึกสติเพราะบางทีเราต้องออกมาทำภารกิจ เกี่ยวกับร่างกายหรือต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆเ น, น้อเมือ่อยก็ลุกขึ้นมาเดินหรือต้องไปทําอะไรก็ทําไปอาจจะต้องไปกวาดไปทําความสะอาดก็ทําไปด้วยการมีสติควบคุมใจพุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูงานที่เรากําลังทําอยู่ไปพอว่างจากงานก็กลับมานั่งสมาธิใหม่พยายามฝึกสมาธิก่อนให้ชํานาญให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่อง จนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการและเวลาออกจากสมาธิก็สามารถควบคุมรักษาความสงบให้อยู่ไปได้เรื่อยๆพอเราได้ความชำนาญในระดับในในการปฏิบัติสมาธิแล้วขั้นต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาฝึกปัญญากันมาสอนใจให้ศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆ ที่ใจเราไปเกี่ยวข้องไปครอบครองให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องไปครอบครองไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นคือมีเกิดมีดับถ้าไปยึดไปติดเชื่ออยากให้เขาไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่อยู่ภายใต้คำคำสั่งของเรา เขาจะดับเขาก็ดับเขาจะเกิดเขาก็เกิดหนะ้าที่ของเราก็คือให้ให้รับรู้เฉยๆอย่าไปอยากให้เขาไม่เกิดหรือไม่ดับอย่าไปอยากให้เขาอยู่ถ้าเขาจะไปก็ให้เขาไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์อย่าไปอยากได้อะไรเพอาได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องทุกข์เพราะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดผ้าจากกาัน ี่คือการจเจริญปัญญาสอนใจหรือจะดูส่วนที่ไม่น่าดูก็ได้ถ้าไปชอบคนนั้นคนนี้เพราะเขาหน้าตาดูแล้วชอบก็ไปดูณส่วนที่ไม่น่าดูดูตอนที่เขาตื่นขึ้นมายังไม่ร้างหน้ายังไม่หวีผมยังมีขี้ตาติดตาปากยังเหม็นยังมีขี้ปากหรือว่าดูตอนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วย ดูตอนที่เขาแก่ดูตอนที่เขาตายอหรือ ด, ดูดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของเขาตั้งแต่กะโหลกศรีรษะลงไปพอฉีกหนังออกหน้าตาเอาถลอกหน้าตาออกก็ก็จะเห็นกะโหลกศรีรษะอยู่ภายใต้หน้ากากคือเนื้อหนังที่หุ่มห่อกะโหลกศรีรษะนั่นเองะ หน้าตาให้ดูดีขนาดไหนพอดูเข้าไปข้างในก็จะเห็นกะโหลกศีรษะก็จะก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วความอยากที่จะได้เขามาเป็นแฟนก็จะได้หมดไปอยู่คนเดียวไม่เหงาเพราะไม่มีความอยากมีแฟนที่อยู่แล้วเหงาเพราะยังอยากมีแฟนอยู่ยังอยากร่วมทุกข์ร่วมสุขกับแฟนอยู่ พออยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวขึ้นมาอันนี้คือการฝึกสอนใจเพื่อให้หยุดความอยากที่มีอยู่ในใจต่างๆเพราะความอยากนี้จะเป็นตัวที่จะมาทำลายความสงบที่เราได้จากการเจริญสมาธิถ้าเรากาจัดความอยากต่างๆด้วยการพิจารณาไตลักษ์พิจารณาอสุภะหรือพิจารณาปฏิกูลของอาหาร ต่อไปความอยากต่างๆกับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็จะไม่ก็จะหมดไปพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดเวลามีความสุขไปตลอดเวลาเดี๋ยววัหสุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีการกลับมาเกิดมามีร่างกายกต่อไปพอไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข พ็สามารถมีความสุขภายในใจได้ตลอดเวลาก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการภาวนานี่คืองานหลักที่เราต้องทำคือให้มีสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีก็ต้องฟังเทศฟังธรรมเพราะฟังเทศฟังธรรมก็จะมีสัมมาทิฏฐิจะได้รู้ว่าเราต้องทำบุญอะไรบ้าง บุญที่เราต้องทำประจาก็คือสามอย่างนี้ฟังสี่อย่างนี้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างพอฟังเทศฟังธรรมก็จะรู้ว่าต้องทำบุญทาทานถ้าเรายัางใช้เงินทองไปในทางที่ไม่ถูกก็ต้องเอามาใช้ในทางที่ถูกคือเอามาใช้กับการทำบุญทาทานถ้ า, าไปใช้กับความอยากก็เป็นเหมือนไปซื้อยาเสพติด ถ้าเอาไปทำบุญก็เหมือนไปซื้ออาหารให้กับจิตใจบุญเป็นอาหารส่วนการทักการใช้เงินตามความอยากนี้เป็นเหมือนไปซื้อยาเสพติดให้กับจิตใจจะเป็นโทษกับจิตใจไม่ได้เป็นคุณกับจิตใจทำทานแล้วก็รักษาศีลศีลก็ต้องรักษาตลอดเวลาศีลห้าถ้าวันไหนว่างวันหยุดก็ถือศีลแปด ถ, ถือสินแปตามวันวันว่างแล้วเห็นว่ามีประโยชน์มีการปฏิบัติมีการภาวนาอยู่เรื่อยๆอาจจะเกิดศรัทธาต่อไปก็อาจจะเพิ่มวันหยุดลางานหรือทำงานให้น้อยลงเพราะเมื่อมาภาวนาแล้วจะไม่ต้องใช้เงินมากก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานมากเมื่อไม่ต้องทำงานมากก็จะได้มีเวลามาภาวนาได้มากขึ้น ต่อไปก็จะทำงานอาทิตย์ละสองสามวันอีกสามสี่วันมานั่งสมาธิมาภาวนาดีกว่าทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็อยากจะออกจากงานไปเองแล้วก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นผู้ชายก็ไปบวชก็ได้เป็นผู้หญิงก็ไปบวชทีเป็นเป็นผู้ชายก็ไปบวชพระเพื่อที่จะได้มีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ ไม่ต้องมาเสียเวลากับการทำงานทำการเลี้ยงปากเลี้ยงทองผู้หญิงก็ไปอยู่วัดที่เขามีการสนับสนุนไม่ต้องทำงานไม่ต้องมีเงินทองเหมือนกับพระพระก็ไปปฏิบัติที่วัดมีการสนับสนุนให้ภาวนาไม่ต้องทำงานทำการอะไรต่างๆทำเฉพาะงานจำเป็นเช่นงานกวาดถูดูแลความสะอาดของสถานที่หรือการเตรียมอาหาร ถ้าเป็นพระก็ไปบินทบาทถ้าเป็นแม่ชีก็ไปช่วยทําอาหารในโรงครัวเป็นต้นหรือไปช่วยพระเบินธบาทก็ได้บางบางวัดเขาไม่มีผู้ชายเขาก็เอาแม่ชีแม่ขาวนี้ไปช่วยถ่ายบาศอันนี้ก็เป็นวิธีเลี้ยงชีพของนักปฏิบัติไม่จาเป็นจะต้องมีเงินทองเพราะเงินทองนี้ถ้ามีแล้วก็มักจะมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ ก็ความอยากมันจะเข้ามาถึงแม้จะอยากไปทําบุญมันก็เป็นการชักใบให้เรือเสียได้เพราะถ้าภาวนาแล้วไม่ควรไปทําบุญไม่ควรไปทอดปลาป่าไม่ควรไปทอดกรถิน่นถ้าเก็บตัวภาวนาปีกวิเวกนี้อย่าไปทําบุญ ช, ชนิดต่างๆหมดเวลาทําบุญแล้วสําหรับผู้ที่ไปปีกวิเวกไปภาวนาะ การทำบุญนี่สำหรับพวกที่ยังชอบไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นเอาเงินไปกินไปเที่ยวไปเล่นนี่ไปไปทำบุญทำทานดีกว่าแต่ถ้าเป็นพวกที่ไปภาวนาไปปีกวิเวกแล้วนี้อย่ากลับมาทำบุญทำทานเพราะจะเป็นการเหมือนกกับการเดินถอยหลังไม่ใช่เดินไปข้างหน้าการทำบุญทำทานนี้เป็นบุญขั้นต่ำ ที่จะสนับสนุนให้ไปขึ้นสู่การทําบุญขั้นสูงคือการภาวนาพอภาวนาแล้วก็ไม่ควรกลับลงมาทําบุญขั้นต่ำํำไม่ควรไปงานผ้าป่า ง, งานกระถิ่นงานอะไรต่างๆถ้าอยากจะทําก็ทําแบบง่ายๆเดี๋ยวนี้ผ่านมือถือกดกดเงินเข้าไปกดส่งปับ๊บมันก็ได้บุญละทําบุญแบบง่ายๆอย่ามาทําให้การภาวนาเสียอย่าไปชัก ชักใบให้เรือเสียอย่าไปทําให้การภาวานานี้่ยหยุดชะงักลงโดยการไปทําบุญทอดปลาปลาทอดกรถินหรือไปงานมูติตาจิตของครูบาอาจารย์หรืองานศพงานอะไรต่างๆทั้งหมดนี้ถึงแม้จะเป็นบุญแต่บุญนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นผู้ที่ไม่เคยทําบุญผู้ที่ชอบไปเที่ยวนี่เปลี่ยนการไปเที่ยวไปไ ป, ไปการทําบุญจะดีกว่า แต่สำหรับพวกที่ได้ทำบุญทำทานจนได้เลื่อนขึ้นไปสู่ขั้นภาวนาแล้วก็ไม่ควรถอยหลังกลับมาควรจะมุ่งไปที่การภาวนาเพียงอย่างเดียวเพื่อทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ฉลาดเพื่อที่จะได้กําจัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา ให้หมดสิ้นไปจากใจพอปราศจากตัณหาทั้งสามนี้แล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บระตายซ้ำแล้วซ้ำอีกใจก็จะถึงพนันธิพาณที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอดเวลานี่คือบุญที่เราต้องทำกันเป็นประจำ ส่วนบุญอื่นเราก็ทําไปตามความเหมาะสมตามโอกาสตามเวลาเช่นอุทิศบุญถ้าเราเมืถ้าเราทําบุญตอนไหนเราก็อุทิศบุญไปอถ้าเห็นใครเขาเพาะไปทําบุญก็อนุโมทนาไปกับเขาอถ้าใครเดือดร้อนถ้าเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปถ้าพบปะกับคนก็พยายามทําตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมทำตนอย่าไปหวดเก่งหวดรู้หวดดีะ แล้วก็ถ้าเราบรรลุธรรมมีธรรมะเราก็เอาธรรมมาแจกเอาธรรมะมาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้อันนี้แล้วแต่วาระแล้วแต่โอกาสทําก็ได้ไม่ทําก็ได้บุญเหล่านี้เป็นเหมือนอาหารเสริมกินก็ได้มีกินก็ได้ไม่มีกินก็ได้ไม่ไม่เป็นปัญหาบุญเสริมนี้เราไม่ต้องไปกังวลมากให้กังวลกับบุญหลักคือสัมมาทิฏฐิ การฟังเทศฟังธรรมการทำทานการรักษาศีลการภาวนาอันนี้เป็นบุญหลักที่เราจะต้องทำกันให้ได้ส่วนบุญเสริมนี้ถ้ามีโอกาสก็ทำไปไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องทำก็ได้ น, นี่คือเรื่องของวันกำไรบุญที่พวกเราได้มากำไรบุญกันในวันนี้เพราะถ้าไม่มีวันหยุดเราก็จะต้องไปทำงานทำการกันเราก็จะไม่ได้มา ทำบุญกันวันนี้เราได้ทําบุญหลายอย่างทําทานบริจาคข้าวของเงินทองฟังเทศฟังธรรมันได้สมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องได้สมาธินั่งทําให้จิตใจสงบได้ปัญญาได้ความรู้นี่คือบุญที่เราได้กำไรกันในวันนี้ดังนั้นทุกครั้งที่เรามีเวลาว่างถ้าเราอยากจะกำไรบุญก็ขอให้เรามาปฏิบัติกันแบบนี้ไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปบุญจะสนับสนุนให้เราได้ไปสู่การชื่นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะธาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกปติ อิจิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสัม t จตาโตสัพเปรนโตสัง a ปะจันโทปนา a รโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉาโตสัปปะโโขวินาสตุ มาเตผวะตวันตระโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนศีริสะนิจจมุทตาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลา ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ก่อนจะถามเดี๋ยวขอถามเรื่องยอดของผู้ติดตามของวันนี้ก่อนวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมดสอง้อห้าสิบหกท่าน y o u t u สามร้อยสามท่านวิทยุออนไลน์สี่สิบท่านผู้เล่ฟังบนเขาเก้าสิบสี่ท่านรวมทั้งหมดห9ร้อยเก้าสิบสามท่านครับผมห9ร้อยเก้าสิบเลย9ก้าสิบสามครับเยอะเนือน ะ, อะพวกที่ติดตามทางเฟ e b o o กของยะหาที่อยู่ใหม่เจอนะที่อยู่เก่าถูกเขาเขาปิดไปลนะก็เลยต้องเปิดที่อยู่ใหม่ อยู่เก่าเรียกว่าะ้าจารย์สุชาติอภิชาตโตอย่างนี้ต้องเปลีป่ยนเป็นพอจอ จ, อจุดสุชาติอภิชาตโตแทนถ้าใครไม่รู้ก็ช่วยบอกกันไปด้วยอาจารย์กลางนมมสการจ้าอาจารยค์คือโยมนั่งสมาธิคือดูดลมไปนะจ๊ะทีนี้ ก่อนนั่งอ่ะก็ดูเวลาไปนิดหนึ่งว่าเออเดี๋ยวนั่งไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้าโยมคือ <c oughs> ถ้าเวทนามันมาเนี่ยเดี๋ยวจะลุกแล้วเพราะว่าคือเมื่อคืนนั่งดึกประมาณเกือบตีนหนึ่งกันเจ้าค่ะทีนี้โยมก็นั่งไปตั้งนานจนถึงโอ้คือมันจะนั่งไปเรื่อยๆพอเวทนา ม, มาแล้วแต่มันก็ไม่เห็นมันเจ็บเลยมันก็รู้เวทนา ม, มาโยมก็นั่งไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกว่าโอ้ท่านั่งนี่สงสยัยเช้าแล้วเดี๋ยวเชาว้าเราตื่นไม่ไหวแน่เลยโยมก็เออพอละลุกขึ้นดีกา คือดูมันก็ประมาณสองชั่วโมงทีนี้โยมก็เลยสงสัยว่าไอ้เวทนาตัวที่โยมมันไม่ได้ไปรู้สึกกับมันเนี่ยแล้วมันตัวเนี้ยแต่โยมยังไม่ได้ไม่ได้ว่าทิ้งเวทนาได้ใช่ไหมคะเพราะว่าโยมมันยังไม่ไม่เห็นคือมันนั่งไปได้เรื่อยๆจิตอยู่กับลมคือมีสติอยู่กับจะลมหายใจตลอดแต่ว่าจะว่ามันรวมตัวตกหลุมตกบ่อไหมมันก็ยังไม่ลงอะเจ้าค่ะ ก็บางทีมันไม่ต้องตกหลุมตกบ่อก็ได้มันเฉยไปมันเป็นอุเบกขามันเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งออื่มันไม่เป็นไม่มันไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนกับเวทนาก็แสดงว่ามันมันก็สงบแบบหนึ่งอเจก็ดีแต่เวทนาเนี่ยเราก็ยังละไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะคือจะละได้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าเวทนามันมามันไปตามเรื่องของมัน เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เค่ะถ้าเราไปกลัวหรือไปอยากให้มันไม่มาเราก็จะทุกข์ค่ะถ้าเราจะละเราก็ต้องปล่อยให้มันมามันไปตามเรื่องของมันค่ะไม่ต้องไปกลัวมันค่ะถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับมันนั้นเราก็จะไม่กลัวมันเจค่ะเรารู้แล้วนี่ยว่าเราเพยงแต่มีสติเฉยๆมันจะมาก็ปล่อยมันมาไปเต่อไปเราก็ละได้ละแบบนี้ ละคือเราไม่ไปกังวลไม่ไปทุกข์กับเวทนาแล้วไม่ว่าจะเป็นเวทนาในรูปแบบไหนเราก็เฉยได้แต่ระวังอย่าไปยินดีกับสุขเวทนานะเพราะมันเป็นกับดักทำให้เราต้องไปยินร้ายกับทุกขเวทน า, าสุขเวทนาเราก็อย่าไปยินดีทุกขเวทนาเราก็อย่าไปยินร้ายาอย่าไปยินดีร้ายกับเวทนา คนส่วนใหญ่มักจะไปยินดีกับสุขกเวทนาพอไปเจอทุกขเวทนาก็เลยไปยินร้ายก็เลยทุกข์เราต้องไม่ไม่ไปยินร้ายไม่ต้องไปลังเกียดทุกขเวทนาเรารักสุขเวทนาเราก็รักทุกขเวทนาถึงจะเรียกว่าเที่ยงแท้เที่งธรรมมีความยุติธรรมสรุปก็คือเราต้องเฉยๆกับเวทนาทั้งสามรูปแบบ สุขก็เวทนาก็เฉยทุกข์ก็เวทนาก็เฉยไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาก็เฉยปล่อยก็มาปล่อยเขาไปาแล้วเราก็พ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับเวทนาจัากษาทุกข์จักบางทีมันก็ทําได้บางทีมันก็ทําทมทไม่ได้ช่วงที่ทําไม่ได้แสดงว่าไม่มีสติครับอถ้ามีสติมันก็จะทําใจเฉยได้ พอไม่มีสติกีเลสความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาพออยากก็ทุกข์ทนไม่ไหวนะต้องให้รู้ว่ากุญแจอดอกสำคัญของเราก็คือสติพยายามพอมีปัญหาก็รีบเข้ามาหาสติพุโทโธพุโทโธไปเลยไอตัวความง่วงก็เหมือนกันง่วง ต, ต้องลุกขึ้นมาเดินสร้างสติด้วยการเดิน สูงมันโดยเอาสติเข้าไปเจ้เาก็เผ่านได้ได้ดีโอเคเอืมลต่อไปคำถามจากคุณตุลค่ะการยกจิตเข้าสู่วิปัสสนาควรทําอย่างไรครับเรอก็ต้องผ่านสมาธิก่อนถึงจะยกขึ้นไหวถ้าไม่มีสมาธิไม่มีแรงเห็นก่อนที่จะไปทางวิปัสสนานี้ต้องมาฝึกสมาธิก่อนต้องสามารถเข้าสมาธิสู่ความสงบได้ ทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่างที่เมื่อกี้พูดได้ถ้าทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ต่อไปก็สอนใจให้ปล่อยวางเวทนาปล่อยวางร่างกายได้พิจารนาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปเวทนาก็ปล่อยให้มันทุกไปปล่อยให้มันสุขไปปล่อยให้มันไม่สุขไม่ทุกไปตามเรื่องของมันใจของเราก็จะไม่ทุกกับร่างกายไม่ทุกกับเวทนา แต่ก่อนจะไปถึงปัญญาได้ต้องผ่านสมาธิก่อนแล้วก่อนจะได้สมาธิก็ต้องไปฝึกสติพุโทโธพุโทโธก่อนต้องมีสติต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามานั่งถ้ามาฝึกสติเวลามานั่งมันจะมีกำลังไม่พอนั่งได้ห้านาทีสิบนาทีสติก็หมดกำลังแล้วแต่เราฝึกทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพุโทโธพุโทโธไป พอถึงเวลาเราจะมานั่งเราก็จะมีสติสำรองไว้เยอะเหมือนเติมน้ำมันไว้เยอะๆก่อนอย่าไปเติมตอนที่เราจะออกไปวิ่งขับรถพอจะไปเติมก็เติมได้แป๊บเดียวน้ำมันก็หมดนะเพราะจะรีบไปก็ต้องคอยเติมน้ำมันไปเรื่อยๆเติมสติไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลานั่งสมาธิก็จะได้นั่งจิตตอนจิตสงบได้ถ้าจิตสงบก็จะมีกำลังที่จะไปใช้ ยกปัญญาวิปัสนาขึ้นมาได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหากเราเป็นคนชอบคิดมากชอบกังวลและชอบเก็บคำพูดของคนในบ้านที่ว่าเรามาคิดและเป็นทุกข์กรณีเช่นนี้ดิฉันจะบริกรรมคำว่าอุเวขาแทนพุทโธเพื่อน้อมจิตใจให้ติดกับคำว่าปล่อยวาง แบบนี้จะได้หมเจ้าค้าก็ดูเสร็จทาได้ไม่ได้คุณเป็นคนทำเราไม่ได้เป็นคนทำคุณเป็นคนกินเราไม่ได้กินมาถาม่ากินแล้วอร่อยไหมคุณก็ต้องรู้เองว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ลองดูอุเบกขาก็ได้พุทโธก็ได้เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยใช้พุทโธเราก็ใช้คำว่านิจังมันก็ได้ผลเหมือนกันนั่งแล้วเจ็บแล้วก็นิจังนิจังไปเดี๋ยวแป๊บเดียวหายเจ็บจิตสงบเฉยวางก็ได้ คำบริกรรมคำไหนก็ได้ที่ถูกกับเราบางคนไม่ชอบพุโทโธก็เอาธรรมโมไม่ชอบธรรมโมก็สังโฆหรืออุเบกขาอุเบกขาไปเราชอบอ น, นิจจังแล้วก็อ น, นิจจังอ น, นิจจังอ น, นิจจังไปเดี๋ยวไม่นานมันก็ความทุกข์ก็หายไปความวุ่นวายใจหายไปความสงบก็โผล่ขึ้นมาอได้คำบริกรรมแบบไหนก็ได้แต่จะได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะบริกรรมได้ไหวหรือเปล่า บาทีบริกรรมได้นิดเดียวไม่หมดแรงแล้วขี้เกียจซะแล้วใจ ย, ยังไม่ทันสงบอย่าหยุดบริกรมรมะใพยายามบริกรรมไปทํำไมคิดทั้งวันคิดได้นะั้นทําไมมาบริกรรมทั้งวันบริกรรมไม่ได้ใช่ไมควาจริงถ้าบริกรรมจริงๆห้านาทีต่อเนื่องมันก็สงบแล้วแต่นี้บริกรรมได้แค่สองสามคำเหนื่อยแล้วหมวดแรงแล้ว เราพยายามหัดบริกรรมเหมือนวิ่ ง, งมาราธอนเนการบริกรรมนี่ก็เหมือนการวิ่งมาราธอนถ้าไม่เคยฝึกบริกรรมมามันจะบริกรรมได้ไม่กี่คำมันก็หมดแรงแล้วแต่ถ้าฝึกบริกรรมอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนพอถึงเวลาจะต้องบริกรรมสักห้านาทีมันก็จะทําได้ถ้าบริกรรมนะห้านาทีรับรองได้ปัญหาต่างๆภายในใจจะหายไปหมดจิตจะว่างจิตจะสงบขึ้นมาทันที คำถามจากคุณนวรัตค่ะขออนุญาตกลับเรียนถามข้อธรรมะจากการปฏิบัติสมาธิขณะนั่งสมาธิอยู่มีเวทนาคือปวดขาแต่ใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความต้องการใดๆเพื่อดับเวทนาได้แต่มองดูเฉยๆแสดงว่าจิตไม่ยึดถือเวทนาใช่ไหมคะแล้วต้องทำอย่างไรต่อเจ้าคะ ก็ต้องฝึกทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำข้อสอบต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจเราเดือดร้อนนะป่ะถ้าเดือดร้อนก็ต้องมาใช้วิธีที่เราฝึกอยู่นี่มาระ ง, งับความเดือดร้อนให้ใจเราปล่อยวางเฮ้ยเราต้องฝึกไปเรื่อยๆอย่าประมาทเพราะต่อไปเราจะต้องเจอข้อสอบกันเดีย๋ยวต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแล้วดูสิว่าเราทำใจให้เฉยๆแบบตอนที่เราฝึก ตอนที่ทําสมาธิได้หรือไม่คําถามจากคุณตั้มค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการทําบุญอย่างไหนได้บุญเยอะกว่ากันครับระหว่างทรัพย์ที่เสียไปกับแรงศรัทธาเช่นคนที่มีทรัพย์มากแต่แรงศรัทธาน้อยกับคนที่มีทรัพย์น้อยแต่แรงศรัทธามากอย่างไหนได้บุญเยอะกว่ากันครับอ๋อมันบุญมันมีหลายระดับไงระดับ แต่ไปเปรียบเทียบต่างระดับกันไม่ได้เหมือนรถมันมีหลายระดับราคารถเฟอร์ารี่คันละสามสิบล้านกับรถเกาหลีคันละห้าแสนนี่มันก็เป็นรถเหมือนกันมันก็วิ่งได้เหมือนกันงั้นเปรียบเทียบไม่ได้เราเราทำไปตามที่เราทำได้ก็แล้วกันเรามีบุญแบบไหนทาบุญแบบไหนก็ทาไปกัแล้วกันคำถามจากคุณวัาพลค่ะ การที่เราสวดมนต์ทุกวันจะมีอ น, นิสงส์งมากหรือน้อยค ะ, ะสวนมา ก, กอ น, นิสง์มากสวดน้อยอ น, นิสง์น้อยเลยผลมันอยู่ที่การอ น, นิสง์ก็คือผลอการสวดก็คือเหตุเหมือนกินข้าวกินมากก็กินน้อยน้ำหนักมันก็มากกับน้อยตามที่เรากินนะ่ะนะกินมากน้ำหนักก็ขึ้นเอาขึ้นเอาพอกินน้อยน้ำหนักก็ลดลงลดลงก็เหมือนกัน บุญด้วยการปฏิบัติทำทำมากผลก็มากขึ้นทำน้อยผลก็น้อยคำถามคำถามจากคุณวราพรค่ะกราบพระอาจารย์จำเป็นต้องเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งไหมคะและต้องใช้เวลาเท่ากันไหมค ะ, ะเช่นเดินสามสิบนาทีก่อนแล้วจึงนั่งสามสิบนาทีแล้วแต่เราเราจะนั่งก่อนแเราก็เดินก็ได้เดินก่อนแล้วค่อยนั่งก็ได้ การที่เราต้องเปลี่ยนเพราะว่านั่งนานๆมันก็เมื่อยเดินนานๆมันก็เมื่อยก็ต้องเปลี่ยนที่มันก็อยู่ที่ว่าถ้าเรานั่งแล้วมันง่วงก็ต้องก็ต้องลุกขึ้นมาเดินถ้าเดินแล้วมันมันเมื่อยเราก็ลงไปนั่งนี่แล้วแต่เราเราสามารถเลือกได้จะนั่งก่อนจะเดินก่อนจะนั่งนานเดินนานหรือนั่งไม่นานเดินไม่นานก็แล้วแต่เราอยู่ที่กําลังของเราแต่ถ้านั่งได้นานก็ได้ผลมาก เเดดดดดินนดดินนนนนนนนไไไ้้้้้้ากกก็็ผผลลมออยยั่งคำ <c oughs> ถามจากโยมสนค่ะกราบนามัส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าภาวนาแบบใดที่ทำให้จิตสงบคะตอนคุณพ่อเสียโยมได้ท่องพุทโธพุทโธส่งคุณพ่อจนคุณพ่อจากไปอย่างสงบค่ะทำให้ทุกวันนี้เวลาสวดภาวนาท่องคำว่าพุทโธแล้วจิตไม่นิ่ง นึกถึงแต่ความเศร้าขณะนั้นมีคําบริกรรมมีคําอื่นหรือควรคิดสิ่งใดแทนขณะภาวนาสมาธิได้บ้างเจ้าคะ่ะคาไหนก็ได้แล้วขอให้เราอย่าไปคิดเท่นั้นเองถ้าเราบริกรรมไปแล้วก็คิดไปมันก็ไม่สงบต้องบริกรรมอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับความคิดอย่าส่งจิตไปตามความคิดให้ตามคําบริกรรมไปใจถึงจะสงบได้เนี่ย คำบริกรรมคำไหนก็ได้พุโทโธก็ได้เหมือนที่เมื่อกี้พูดบางคนก็ว่าอุเบกขาก็ได้อันนี้จังก็ได้แล้วแต่เราข้อสำคัญให้อยู่กับคำบริกรรมอย่าไปอยู่กับความคิดที่ตอนต้นมันจะแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณ อ, อมพรค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเมื่อเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธในขณะนั่งสมาธิ หรือเดินจงกลมแล้วจิตไม่นิ่งจิตวอกแวกไม่สงบคิดถึงเรื่องอื่นๆไปด้วยจะมีเทคนิควิธีฝึกจิตยอย่างไรให้จิตนิ่งสงบมีสติสมาธิก็ต้องเอาไปหาอะไรมามาบังคับมันจิตมันจะจะไม่มันจะไม่ทะเลทลายถ้าไปอยู่ที่มันน่ากลัว mm hmm. เช่นไปอยู่ที่ไหนมีผีนี่พอคิดว่าผีจะมาเนี่ยมันจะอยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียว มันจะไม่กล้าไปคิดถึงผีเพราะคิดถึงผีแล้วมันจะกลัวมันก็จะคิดแต่พุทธโธพุโทโธไปนะครับพระคนที่ต้องการสมาธิแล้วยังควบคุมความคิดไม่ได้มักจะต้องไปหาที่น่ากลัวภาวนาเช่นไปอยู่ตามป่าชา้าหรืออยู่ตามป่าที่มีสิงสารสัตว์พอได้ยินเสียงเสือคำลามขึ้นมาเนี่ยโอ้ยพุโทโธไม่รู้มาจากไหนไม่ต้องเรียกหามันมาเองอ่าเนื นี่คือวิธีของผู้ที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบริกรรมแล้วมันยังอดที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวอยู่หรือรอเวลาเกิดขึ้นเครื่องแล้วอตอบตันบอกว่าตอนนี้เครื่องมีเครื่องยนต์มีปัญหาตอนนั้นน่ะโอยพุทธโทกันสวดมนต์กันลั่นทั้งทั้งเครื่องเลยเ บางทีมันต้องมีเหตุบังคับมันถึงจะขยันมันจะขี้เกียจมันชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอเจอความเป็นความตายขึ้นมาทีนี้มันไม่อยากจะคิดเรื่องอะไรนะมันใจสั่นมันอยากจะทำให้มันสงบเพื่อก็ต้องพุทโธพุทโธสวดอิติปิโสร้อยจบกันไปบางทีเราต้องหามอะไรมาทำให้บังคับให้เราตั้งใจภาวนาถ้าไม่มีอะไรบังคับมันจะทาแบบเออละเหยลอยลม ทำแบบสบายสบายมันก็จะไม่ได้ผลคำถามจากคุณสุภกัญญาค่ะถ้าเราอุทิศผลบุญให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยการเอ่ยชื่อบุคคล น, นั้นหลังจากทำบุญบุคคล น, นั้นจะได้รับบุญไหมเจ้าคะได้เราเอ่ยชื่อเขาทุกครั้งที่เราอุทิศบุญต้องรู้ว่าเราอุทิศให้ใครมีชีวิตอยู่เอาไม่ <นะ S 1> มีชีวิตอยู่ไม่ได้ มีชีวิตยอยู่เขาทํำเองได้เยอะกว่าก็ไปบอกก็พี่ไป ท, ทําบุญเถอะแล้วพี่อยากได้บุญหรือถ้าเราอยากจะให้ก็มีความสุขแล้วก็เอาเงินที่จะทําบุญให้เขานี่ให้กับเขาไปเผื่อเขาจะเอาเงินที่เราให้เขาไปทําบุญต่อคําถามจากคุณทาทาค่ะฝันกับนิมิตเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะก็เป็นภาพที่ปรากฏขึ้นมาในใจ ใจเราเป็นเหมือนจอภาพภาพยนตร์จอทีวีนิมิตก็คือภาพต่างๆภาพเสียงต่างๆเราก็เรียกว่านิมิตบ้างเรียกว่าฝันบ้างทีนี้นิมิตหรือฝันนี่มันมีสองแบบมีนิมิตที่มาจากข้างนอกกับนิมิตที่มาจากข้างในมนีนิมิตที่มาจากข้างใน ก, ก็คือความคิดของเราปรุงแต่งไปนิมิตที่มาจากข้างนอกก็คือจิตดวงอื่นเขาเข้ามาติดต่อกับเราเช่นพวกเทวดาพวก ดวงวิญญาณต่างๆนี่ถ้าเราเปิดช่องเรามีช่องให้เขาเข้ามาเขาก็จะเข้ามาหาเราได้แต่ถ้าเราไม่มีช่องเขาก็เข้าไม่ได้ช่องที่จะเข้ามานี้ต้องเป็นอุปจาระสมาธิถ้าเราจิตไม่อยู่ในอุปจารสมาธิจะไม่สามารถติดต่อกับากายทิพย์ต่างๆได้ดวงวิญญาณต่างๆได้ต้องอยู่ในอุปจาระสมาธิซึ่งผู้ปฏิบัติที่จะมีอุปจารสมาธินี้มีน้อยมาก เท่าที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังพวกที่มีอุปจารนี้อาจจะมีแค่ร้อยลห้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนี้จะเป็นพวกที่ไม่มีพวกที่มีนี้เขาจะเป็นพวกที่ติดต่อเทวดาคุยกับเทวดาได้สนธนาธ ร, รมกับเทวดาได้เทศให้ธรรมะให้เทวดาได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างหลวงปู่มั่นเนี่นนมีอุปจาระสมาธิท่านสามารถที่จะติดต่อกับ ดวงวิญญาณต่างๆได้หมดยังนะค่ะคำถามจากคุณ ว, วชิรวิทย์ค่ะขอเรียนถามว่าการกำหนดลมหายใจขณะนั่งสมาธิไม่ต้องไปคิดอะไรเป็นสมถาะาใช่ไหมครับกำหนดไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาเองใช่ไหมครับ กำหนดไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตสงบไม่เกิดปัญญาหรอกการนั่งสมาธินี้เพื่อทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาไม่เกิดปัญญาปัญญานี้ต้องออกจากสมาธิมาแล้วมาพิจารณารมต่างๆว่าเป็นไตรลักว่าเป็นอสุภะว่าเป็นปฏิกลถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาต่อไปเป็นคนล ะ, ะแผนกัน การปฏิบัติสองแผนแผนสมาธินี้นึ่งไปสู่ความนิ่งความสงบต้องการอุเบกขาต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบส่วนการปฏิบัติทางปัญญานี้เพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดเพื่อจะได้ทันกิเลสที่มาคอยหลอกให้เราไปหลงไหลกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเราต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นั่งกายก็เป็นอสุภะอาหารก็เป็นปฏิกูลูอเนี่ยพอมันเข้าไปในปากมันก็เป็นปฏิกูลนะน้องคายออกมาดูกลินไม่ได้แลนะเข้าไปในท้องพออาจจีนออกมาเอากลับเข้าไปไม่ได้นะพอถ่ายออกมาก็เหมือนกันเอเป็นปฏิกูลให้คิดถึงความเป็นปฏิกูลนวะมันจะไม่ขิวเอนี่ยพวกที่ถือศีลแปดพวกที่อดอาหารนี่ต้องใช้ การพิจารณาปฏิกลมันช่วยลดความหิวได้พวกที่มีความอยากในกามก็ต้องคิดถึงอาสุภาอยู่เรื่อยๆพวกที่คิดอย่างได้ราบยศสรรเสริญก็สุขก็ต้องคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปความอยากเหล่านี้ก็จะถูกกำจัดไปหมดด้วยปัญญามีไหม <Okay. S 1> หมดแล้วเลย สม้งมแล้วมีใครอยากจะถามไหมจะเปิดโอกาสนะเพะจะใกล้จะจะปิดจะปิดการประชุมแล้วนะออถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าค่อยมาถามใหม่ก็ได้วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ